บทที่8ภูมิศาสตร์ของโลกทิพย์หวังว่าคงจะไม่เป็นการย้ำที่น่าเบือ่ออาคขาปเจ้าจะขอกล่าวอีกครั้งว่าแม้เราจะกล่าวถึงคำว่าภูมิศาสตร์ของโลกทิพย์เราก็ไม่ได้หมายความว่าโลกทิพย์จะอยู่ที่ไหนเมื่อเทียบกับโลกมนุษย์คือว่าถึงอย่างไรอย่างไรโลกทิพย์ก็ยังคงต้องเป็นสภาวะไม่ใช่สถานที่อยู่นั่นเอง สภาวะดังกล่าวนี้ก็คืออัตราความสั่นสะเทือนคือ v i เ r a ร i o n นนั่นเองในความหมายประการหนึ่งเราอาจจะกล่าวได้ว่ามิติหรือด i เมนชั่นของโลกทิปไม่ใช่อวกาศแต่เป็นเวลาเราความสั่นสะเทือนจะวัดได้โดยอัตราความเคลื่อนไหวโดยคิดในมิติคือเวลาเท่านั้นและความจริงดังกล่าวนี้ ยอมใช้ได้ทั้งในพลังงานขั้นต่ำในโลกมนุษย์นี้และในพลังงานขั้นสูงของโลกทิพด้วยเหมือนกันความสั่นสะเทือนของแสงย่อมวัดด้วยหน่วยเวลาคือจำนวนเท่านั้นครั้งในเวลาเท่านั้นโดยในยะนี้ความเร็วของการสั่นสะเทือนยิ่งสูงขึ้นเพียงใดอัตราเร็วที่แสดงออกในความสั่นสะเทือนก็ยิ่งสูงขึ้นเพียงนั้นนักปราชญ์ในวิชานี้ในสมัยโบราณมากล่าวถึงความจริงข้อนี้ โดยการเปรียบเทียบว่าในความสั่นสะเทือนที่มีอัตราสูงสุดนั้นมันเร็วเหลือเกินจนกระทั่งมองดูไปคล้ายๆกับว่าจะไม่มีเคลื่อนไหวเลยเช่นั้นเปรีอบเงอนลูกหางที่หมุนอย่างเร็วจนมองดูก็รู้สึกว่าดูเหมือนจะไม่ได้หมุนเลยจากจุดสูงสุดแห่งความเร็วของการสั่นสะเทือนนี้เราอาจจะถอยลงมาเรื่อยๆจนถึงจุดแห่งความเร็วที่ต่ำสุด ซึ่งในจุดนี้ความเร็วของการสั่นสะเทือนจะมีน้อยเหลือเกินจนกระทั่งแลดูเสมือนกับไม่ได้หมุนเลยอีกเช่นเดียวกันสารวัตถุของโลกทิพย์ย่อมเป็นของละเอียดยิ่งกว่าสารวัตถุของโลกมนุษย์มากทั้งนี้เพราะเกี่ยวกับเหตุผลคือความสั่นสะเทือนที่ต่างกันในโลกทิพย์สารวัตถุต่างๆ มีความสันสะเทือนสูงกว่าสารวัตถุที่ละเอียดที่สุดของโลกมนุษย์มากและในทำนองเดียวกันสารวัตถุของภูมิต่ำของโลกทิพย์ก็มีความสันสะเทือนน้อยกว่าสารวัตถุของภูมิสูงของโลกทิพย์มากโดยการเปรียบเทียบสารวัตถุที่ละเอียดที่สุดของโลกมนุษย์มีความแตกต่างกันกับสารวัตถุของโลกทิพย์ขั้นหยาบที่สุดเพียงไรสารวัตถุของโลกทิพย์ภูมิที่หยาบที่สุด อย่างแตกต่างจากสารวัตถุของโลกทิพย์ภูมิที่เเลียที่สุดมากมายยิ่งกว่านั้นอีกหลายเท่าดังนั้นจึงพอจะเห็นได้ว่าในระหว่างภูมิมันเป็นทิพย์ที่หยาบที่สุดและภูมิมันเป็นทิพย์ที่เอียที่สุดนี้จะต้องมีภูมิใหญ่และภูมิย่อยแทรกซ้อนอยู่ในระหว่างอย่างมากมายเหลือที่จะขนานับได้ทีเดียวดังนั้นในเมื่อโลกมนุษย์มีการวัดความแตกต่างกันโดยมาตราที่เกี่ยวกับอวกาศเช่นฟุตนิ้ว ไมล์กิโลเมตรเป็นต้นในโลกทิปก็ต้องมีการวัดหรือเปรียบเทียบระดับแห่งความแตกต่างนี้เหมือนกันแต่มาตราที่ใช้วัดจะต้องแตกต่างกันไปโดยใช้มาตราเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนหรือความถี่ประกอบกับเวลาแต่ไม่ได้เกี่ยวกับอวกาศเลยในการเดินทางไปในโลกมนุษย์เราวัดกันโดยคิดว่าฟุตหลาหรือไมล์ การเดินทางผ่านภูมิต่างๆในโลกทิพย์ต้องวันกันด้วยอัตราความสั่นสะเทือนและจะต้องพูดว่ามีการผ่านจากความสั่นสะเทือนระดับสูงไปสู่ความสั่นสะเทือนระดับต่ำหรือบางคราวก็จะเป็นไปในทางตรงข้ามคือจากความสั่นสะเทือนในระดับต่ำไปสู่ระดับสูงเป็นต้นดังนั้นการที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงภูมิศาสตร์ของโลกทิพย์ก็ขอให้เป็นที่เข้าใจว่า หมายถึงกำลังงานที่มีอัตราความสั่นสะเทือนในระดับต่างๆกันนั่นเองและความต่างกันในระดับแห่งความสั่นสะเทือนนี้ย่อมมีอยู่มากมายเลือค้นนน า, นาการที่เราจะเข้าถึงภูมิไหนๆได้เพียงไรก็สุดแล้วแต่ว่าเราจะมีความสามารถปรับระดับแห่งความสั่นสะเทือนของเราให้เข้ากับภูมินั้นๆได้หรือไม่และมากน้อยเพียงไรแต่ น, นองเดียว ก, กันกับที่เรามีเครื่องรับวิทยุอยู่เครื่องหนึ่ง และเครื่องรับวิทยุของเราจะรับสถานีอื่นๆได้มากน้อยเพียงไรก็สุดแล้วแต่ว่าเครื่องนี้มีความสามารถปรับหรือว่าเปลี่ยนระดับความถี่ของตนได้มากน้อยเพียงไรฉชนนั้นถ้าเครื่องรับมีประสิทธิภาพสูงก็สามารถรับสถานีอื่นได้มากและเป็นระยะทางไกลเพราะมีแบนมากและกว้างขวางแต่ถ้าเป็นเครื่องรับที่มีประสิทธิภาพน้อยก็รับได้น้อยสถานี แล้วรับได้แต่เพียงระยะใกล้ๆเท่านั้นหรืออีกอุปมาหนึ่งเราอาจคิดถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะต่างๆของน้ำก็ได้เช่นน้ำแข็งเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวคือเป็นน้ำแล้วก็เปลี่ยนสภาพต่อไปกลายเป็นไอนี่คือการเปลี่ยนสภาพคือการเดินทางในสภาพต่างๆโดยไม่เกี่ยวกับสถานที่เลยอีกนัยยะหนึง่ง เราอาจคิดถึงอากาศที่มีลักษณะเป็นแกส๊สซึ่งเราอาจนํามาทําให้เปลี่ยนสภาพเป็นอากาศเหลวได้และจากอากาศเหลวเราก็อาจทําให้เปลี่ยนต่อไปเป็นอากาศแข็งได้อีกซึ่งโดยทางทฤษฎีเรารู้ว่ามีทางทําได้จริงๆแม้ว่าในทางปฏิบัติการทําอากาศเหลวให้แข็งจะยังทําไม่ได้ก็ตามตัวอย่างที่กล่าวมา น, นี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า การเดินทางโดยการเปลี่ยนสภาวะสามารถมีได้เป็นได้อย่างไรโดยที่การเดินทางแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอวกาศหรือการเปลี่ยนสถานที่แต่อย่างใดเลยและคําว่าการเดินทางก็เป็นการขอยืมมาใช้เพื่อให้เป็นที่เข้าใจง่ายแก่ชาวโลกมนุษย์เท่า น, นั้นเองเป็นอันว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะใช้คําพูดว่าการเดินทางในโลกทิพย์ซึ่งหมายถึงที่ต่างภูมิกัน จะใช้คำว่าการเดินทางในโลกทิพย์ไปตามปกติเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดหาศาสร์เทคนิคขึ้นมาใช้ใหม่โดยหวังว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายย่อมจะทราบได้ดีแล้วว่ามันมีความหมายผิดกันกันกบการเดินทางในอวกาศอย่างไรความแตกต่างกันของความสั่นสะเทือนคือพรมแดนของโลกทิพย์ ในภูมิต่างๆน้อยบ้างใหญ่บ้างของโลกทิพย์เหล่านี้ย่อมเป็นที่อาศัยของวิญญาณต่างๆตามลำดับชั้นแห่งความหยาบและประณีตความดีและความเลวทรามของแต่และวิญญาณนั้นๆเรื่องนี้ก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติคือสิ่งที่เหมือนกันย่อมจะดึงดูดกันให้ไปรวมพวกกันในสถานที่หรือในสภาวะเดียวกันกฎนี้ย่อมเป็นความจริงอย่างยิ่งในโลกทิพย์ยิ่งกว่าในโลกมนุษย์เสียอีกดังนั้น จึงไม่จําเป็นจะต้องมีตํารวจหรือหน่วยรักษาการอยู่ที่พรมแดนเพื่อคอยระวังไม่ให้วิญญาณที่มีระดับความสันสะเทือนต่ําเข้าไปในภูมิที่มีความสันสะเทือนสูงได้อย่างใดเพราะวิญญาณที่มีความสันสะเทือนต่ําก็ย่อมจะเข้าสู่ภูมิที่มีความสันสะเทือนสูงไม่ได้อยู่เองตามธรรมชาติแต่ทว่าวิญญาณที่มีความสันสะเทือนสูงอาจกลับมาสู่ภูมิแห่งวิญญาณที่มีความสันสะเทือนต่ําได้เสมอตามปรารถนา อย่างไรก็ตามการกลับมาสู่หรือการเข้าสู่ภูมิที่มีความแตกต่างกันในความสันสะเทือนนี้ขอให้เข้าใจว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างกันกับการคมนาคมหรือการติดต่อกันโดยทางโทรจิตชั้นสูงระหว่างวิญญาณระดับต่างๆในโลกทิพย์ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากเรื่องนี้เป็นกฎที่ดีมากของธรรมชาติเพราะว่าหากไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วก็จะเกิดเรื่องสับสนอโลเวงกันขนาดใหญ่ หากวิญญาณที่อยู่ในระดับต่ำสามารถแหวกทะลวงเข้าสู่ภูมิของวิญญาณระดับสูงได้เรื่องก็คงเป็นทํานองว่าขณะที่นักศึกษาชั้นสูงในมหาวิทยาลัยกำลังเรียนปรัชญากันอยู่นั้น<ม>ก็อาจจะมีพวกกุยหรืออันพานจากแหล่งสลัมหรือซ่องใดซ่องหนึ่งบุกรุกเข้าไปอละวาส่งเสียงเจียวเจ้ารบกวนหรือรังแกเล่นเมื่อดก็ได้ฉะนั้นลองคิดดูว่าท่าในโลกที่เป็นเช่นนั้นได้จริง ก็คงจะต้องมีเรื่องเดือดร้อนเช่นเดียวกับโลกมนุษย์นั่นเองเมื่อกล่าวถึงข้ออุปมา ต, ตอนนี้แล้วข้าพเจ้าก็ใกล้จะข อ, อกล่าวแทรกไว้ในที่นี้สักเล็กน้อยว่าในภูมิทิพนั้นก็มีภูมิที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นภูมิอันพานหรือภูมิซ่องโจรที่รร้กาต่างๆอยู่เหมือนกันเพราะทมเช่นนั้นแล้วพวกอันพานและพวกโจรผู้รา้ายในโลกนี้จะไปอยู่ที่ไหน เกี่ยวกับการติดต่อกันระหว่างผู้ที่อยู่ภูมิทิบต่างภูมิกันนี้ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้แล้วในหนังสือเล่มอื่นที่พิมพ์ขึ้นก่อนหน้าเล่มนี้แต่เพื่อประโยชน์ของผู้อ่านที่อาจไม่ได้อ่านเล่มนั้นข้าพเจ้าจะขอคัดลอกข้อความบางตอนจากเล่มนั้นมาลงไว้ในที่นี้อีกดังต่อไปนี้การที่วิญญาณจะเดินทางไปเหนือภูมิของตนด้วยตนเองนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด เราเป็นการเปลี่ยนความสันสะเทือนให้ผิดระดับ ก, กันแต่ว่าวิญญาณที่อยู่ในภูมิสูงสามารถจะลงมายังภูมิต่ำได้กฎนี้เป็นกฎธรรมชาติในโลกทิพย์เช่นนี้เองไม่ได้เป็นกฎที่มีใครคนหนึ่งตั้งไว้ตามอำเภอใจของตนเพื่อให้เข้าใจง่ายข้าพเจ้าขอยกอุปมาให้เห็นดังต่อไปนี้คือขอให้ท่านลองนึกวาดภาพถึงกระแกงร่อนขนาดใหญ่ ซึ่งมีตาทีห่างต่างกันสักชุดหนึ่งจะเป็นตะแกรงที่เขาใช้ร่อนของต่างๆเช่นแป้งหรือฐานหินออกให้เป็นเกรดหรือขนาดต่างๆกันก็ได้ในการร่อนสิ่งของด้วยตะแกรงชุดเหล่านี้แป้งหรือฐานหินที่เป็นก้อนใหญ่จะคงติดค้างอยู่ที่ตะแกรงแรกซึ่งมีตากว้างหรือหยาบกว่าเพื่อนส่วนที่มีขนาดย่อมหรือละเอียดลงไปเล็กน้อยเมื่อลอดตะแกรงอันที่หนึ่งลงไปได้แล้ว ก็จะไปติดอยู่ที่ตะแกรงอันที่สองได้ต่อจากนี้ถ้าเราใช้กาลังขย่าวช่วยบ้างในบรรดาก้อนทานหินที่อยู่บนตะแกรงอันที่สองนั้นอาจจะมีบางส่วนที่ลอดตะแกรงที่สองลงไปค้างอยู่ที่ตะแกรงที่สามได้อีกและโดยในยะนี้กอนที่ละเอียดลงไปก็จะลอดตะแกรงที่หยาบลงไปเรื่อยๆสุดแล้วแต่ว่าเราจะเอาตะแกรงร่อนกี่ขนาด ในเรื่องของการเดินทางในโลกทิพย์ก็เช่นเดียวกันนี้วิญญาณที่มีอุปนิสัยหยาบคือยังมีความประณีตแห่งจิตใจน้อยก็เปรียบเหมือนก้อนฐานหินที่หยาบคือใหญ่โตยอมติดค้างอยู่ที่ตะแกรงอันแรกนั่นเองส่วนวิญญาณที่ได้พัฒนามาแล้วมากกว่านั้นคือมีความประณีตของจิตใจสูงขึ้นไปก็ลอตะแกรงที่หนึ่งเดินทางผ่านไปสู่ตะแกรงที่สองได้แต่จะไปหยุดที่ตะแกรงที่สองเท่านั้น หรือว่าจะเดินทางผ่านต่อไปถึงตะแกรงที่สและที่สนั้นก็ต้องสุดล็อกแต่ระดับแห่งความปราณีตของวิญญาณนั้นนั่นเองก่อนฐานหินที่ละเอียดย่อมสามารถจะผ่านไปผ่านมาระหว่างตะแกรงที่หยาบ ก, กว่าของตนฉั้นใดวิญญาณที่ละเอียดก็สามารถเดินทางผ่านไปผ่านมาในระดับแห่งภูมิที่หยาบ ก, กว่าของตนคือปรับช่วงคลื่นหรือความสันสะเทือนให้หยาบลงมาได้ชั้นนั้น ถ้าหากตนปรารถนาเช่นนั้นและอันที่จริงในทางปฏิบัติเรื่องเช่นนี้ก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเหมือนกันเพราะวิญญาณในภูมิสูงบางครั้งก็มีความปรารถนาจะลงมาเยี่ยมวิญญาณของผู้ที่คุ้นเคยและมีความสนิทสนมกันมาแต่เดิมซึ่งยังคงอยู่ในภูมิต่ำกว่าจุดประสงค์ทั้งนี้ก็เพื่อให้คำแนะนาและปลุกปลอบกาลังใจตามสมควรโดยเฉพาะในกรณีที่วิญญาณที่อยู่ในภูมิตม่ำ มีสภาวะแห่งจิตใจพอที่จะรับคำสั่งสอนและปลุกปลอบใจได้บ้างอย่างไรก็ตามในเรื่องการเปลี่ยนช่วงคลื่นหรือความสันสะเทือนที่หยาบลงนี้มีข้อยกเว้นโดยทั่วๆไปอยู่ประการหนึ่งคือภูมิหรือสภาวะแห่งจิตของผู้ที่กำลังหลับคือพักฟื้นอยู่ในโลกทิพนั้นเป็นภูมิคือสภาวะแห่งจิตที่มีลักษณะของช่วงคลื่นหรือความสันสเทือนผิดกัน กับภูมิน้อยใหญ่อื่นๆทั้งหลายเป็นอันมากจนแทบจะกล่าวได้ว่ามีลักษณะหรือสภาวะไม่เหมือนใครหรือที่อื่นใดเลยทีเดียวสภาวะจิตของผู้ที่กําลังหลับอยู่นั้นเป็นเรื่องของเขาผู้กําลังหลับอยู่โดยแท้ผู้ที่แม้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปโดยธรรมดาแล้วก็ไม่อาจจะกําหนดสภาวะจิตของผู้กําลังหลับได้เลยคือจะไม่สามารถทราบได้ว่าผู้นั้นจะตื่นขึ้นมาด้วยจิตอันสวยอารมณ์แบบใด คือจะเป็นกุศลหรืออกุศลชนิดใดแล้วรุนแรงเพียงใดทั้งนี้หมายความว่าแม้ผู้ที่จะมีสภาวะจิตสูงกว่าผู้ที่กําลังหลับพักฟื้อนอยู่ก็ไม่อาจกําหนดวาราจิตของผู้หลับนั้นหรือแม้ในขณะต่อไปที่เขาจะเตือนขึ้นมาได้เลยที่กล่าวมานี้คือข้อยกเว้นของข้อความที่ว่าผู้ที่อยู่ในสภาวะจิตอันสูงหรือละเอียด สามารถปรับสภาวะจิตของตนให้หยาบลงมาได้ตามต้องการเสมอแต่อันที่จริงข้อยกเว้นของข้อยกเว้นดังกล่าวมาคือท่านผู้มีสภาวะจิตอันละเอียดและสูงมากจงกระทั่งสามารถปรับให้เข้ากับสภาวะจิตของผู้กำลังหลับนั้นก็คงจะมีอยู่เหมือนกันเป็นตว่าคงจะน้อยมากจนเกิดจะเป็นอโหหาริกือมีเกือบเหมือนไม่มีนั่นเอง ส่วนความช่วยเหลือที่ผู้อื่นจะพึงให้ได้สำหรับผู้อยู่ในสภาวะจิตแบบนี้ก็คงจะเป็นไปในรูปการจัดหาที่พักเป็นพิเศษการแผ่รังสีลงมาช่วยเพิ่มพลังให้เป็นต้นดังกล่าวเวลาในโลกทิพย์ภาคหนึ่งบทที่สามในภูมิแห่งโลกทิพย์ต่างๆแต่ละภูมิก็มีความแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันกับจินต่างๆในโลกนี้เหมือนกัน ในภูมิต่ำเป็นของวิญญาณที่มีระดับความเจริญแห่งจิตใจต่ำอย่างยิ่งจนกระทั่งพวกนี้จะไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยนอกจากวัตถุและเรื่องความอยากได้ใครดีแบบสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นสำหรับวิญญาณที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปแล้วภูมิต่ำดังกล่าวมานั้นก็คือนรกเราดีๆนั่นเองโดยปกติจึงไม่ค่อยจะมีวิญญาณในภูมิสูงต้องการจะเดินทางลงไปยังภูมิเช่นวานี้เลย นอกจากในบางกรณีที่ท่านเหล่านั้นต้องการจะไปอนุเคราะห์วิญญาณของบางคนที่เคยทำชั่วมาเมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็กำลังตะเกียกตะกายต้องการจะขึ้นมาจากสภาวะดังกล่าวนั้นอย่างเต็มที่วิญญาณขั้นสูงที่มีความกรุณาดังกล่าวนี้มีอยู่เหมือนกันความประสงค์ของท่านก็คือต้องการจะช่วยเหลือวิญญาณในภูมิต่าเช่นนั้นบางคนเท่าที่จะพอช่วยเหลือได้แต่โดยมากวิญญาณเหล่านั้น ก็ต้องใช้กรรมของตนเองไปจนกว่าจะสิ้นเวรโดยที่ในระหว่างใช้กรรมนั้นก็เป็นการจะรับบทเรียนไปในตัวด้วยต่อจากนั้นจึงจะได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมเพื่อบำเพ็ญบา ร, รมีต่อไปใหม่